การสืบพันธุ์ระบบธรรมชาติที่แทบเลือนหายภายใต้อริยธรรมแห่งกรรมคุณเรื่องทำนองนี้อีกสักเรื่องที่อาจจะชัดยิ่งขึ้นไปอีกน่านจะได้แก่เรื่องการสืบพันธุ์ของมนุษย์มองอย่างภาพพจน์เสมือนดังว่าชีวิตที่ต้องการสืบพันธุ์เป็นฝ่ายหนึ่งคนที่เสเวนาเป็นอีกฝ่ายหนึ่ง ชีวิตต้องการผลคือพันไว้สืบต่อตนแต่ชีวิตไม่สามารถทํากิจเพื่อให้เกิดผลนั่นเองได้จำต้องอาศัยคนช่วยทำให้เพื่อให้ได้ผลเป็นอย่างดีชีวิตจึงต้องล่อคนด้วยรางวัลคือสุขเวทนาเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านกายสัมผัสเนื่องด้วยการทํากิจนั้นแก่คนจนทําให้การทากิจนั้นมีความหมายแก่ทั้งสองฝ่าย กล่าวคือสำหรับชีวิตกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้พันไว้สืบต่อตนสำหรับคนกิจกรรมเพศสัมพันธ์หมายถึงการได้เสพสุขคเวทนาเมื่อเรื่องเป็นไปถึงขั้นนี้แล้วชีวิตก็ไม่ต้องยากลำบากเพียงแต่รอคอยอยู่เฉยเเมื่อคนกระทำต า, ตามความต้องการของเขาชีวิตก็พลอยได้รับผลที่ตนต้องการไปด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เหมือนกับในกรณีของการกินอาหารกล่าวคือในเมื่อคนกระทำการมิใช่เพื่อได้พันซึ่งเป็นผลของการกระทำนั้นโดยตรงแต่กระทำเพราะมันเป็นเงื่อนไขให้เขาได้รับสุขเวทนาการกระทำก็จึงไม่เป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีเพียงเท่าที่จะให้เกิดผลของมันคือการได้พันที่ชีวิตต้องการ แต่ความอยากเสพสุขเวทนาในด้านนี้ได้ทาให้คนกระทําการซึ่งถือกันว่าเกินพอดีและรุนแรงได้มากมายจนเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บและอาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งขนาดย่อยและขนาดใหญ่เป็นผลร้ายทั้งแก่คนผู้นั้นเองและแก่ผู้อื่นตลอดจนสังคมทั่วไปทั้งหมดเรื่องของการสืบพันธุ์นี้ยังมีความเป็นไปที่ซับซ้อน ยิ่งกว่าการกินอาหารอีกกล่าวคือความไม่สมดุลมิใช่มีเพียงแค่ความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทํากับผลที่ต้องการเท่านั้นคนผู้ถูกล่อให้กระทำํำยังหันกลับมาย้อนหักหลังชีวิตผู้เป็นเจ้าของความมุ่งหมายในการกระทําอีกด้วยคือมีบ่อยครั้งที่คนต้องการเสพแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ต้องการให้ชีวิตได้ผลคือพันธุ์ที่มันต้องการ คนจึงกระทำการที่เป็นเงื่อนไขให้เขาได้เสพเวทนาอันอร่อยสนองความต้องการของเขาฝ่ายเดียวพร้อมกับใช้ชีวิตต่างๆขัดขวางกีดกันไม่ให้ชีวิตพลอยได้รับผลที่มันต้องการแต่อย่างใดทั้งสิน้นเพียงเท่านั้นก็ยังพอทำเนาเมื่อคนเจริญด้วยตัณหามากขึ้นเขายิ่งทำสกปรกเอากับชีวิตหรือเอาเปรียบชีวิตมากขึ้นไปอีก ว่าเขาซ้อนกลนชีวิตเขาบ้างก็ได้คราวนี้เขาพุ่งความสนใจมายังสุขเวทนาที่ชีวิตใช้เป็นรางวัลล่อเขาแล้วก็ครุนคิดหาทางที่จะทำให้สุขเวทนานั้นเข้มขน้นหลมคมหนักหน่วงท่วมท้นยิ่งขึ้นเขาคิดค้นอุปกรณ์และวิธีการต่างๆขึ้นมายั่วยุเร่งรา้าโหมกระพือไฟแห่งตันหาให้มีความรุนรานที่จะเสพเวทนาอย่างแรงกล้ายิ่งขึ้น และจัดสรรปรุงแต่งวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งวิธีการสำหรับเสพสวยให้วิจิตผลาดแพลงพิสดารที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังที่เกิดมีสถานอบายมุกและหลังบาเรอต่างๆมากมายไปทั่วในการนี้เขาไม่ได้แยแสหรือให้โอกาสแก่ความต้องการของชีวิตและเขายังได้นำเอาวิธีการอย่างนี้ไปใช้ปฏิบัติกับกิบกจกรรมในการกินการเสพพัสะทุกอย่าง จึงปรากฏเป็นการเสพติดในแบบต่างแพร่หลายทั่วไปสำหรับแง่ที่การสืบพันธ์เทียบกับการกินยุติเพียงแค่ในด้านตันหาเท่านี้ส่วนในด้านฉันทะไม่มีแง่ที่จะเทียบได้เพราะการสืบพันธ์ไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับการให้ชีวิตเข้าถึงภาวะที่ดีงามใดๆมีแต่อำนาจของภาวะตันหาที่จะรักษาความมั่นคงถาวรของอัตตา พูดอีกนัยยะหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยการกินแต่ไม่ต้องอาศัยการสืบพันธุ์หรือว่าการกินจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมแต่การสืบพันธุ์ไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือว่าชีวิตที่มีอยู่แล้วนี้จะเป็นอยู่ได้ต้องอาศัยการกินแต่ไม่ต้องอาศัยการสืบพันธุ์ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลให้แก่การเกิดขึ้นของชันทะสำหรับมนุษย์ผู้สร้างความสำเร็จด้วยการเอาชนะธรรมชาติข้างนอกแต่ไม่ทันต่อธรรมชาติภายในตัวเองนั้นการปฏิบัติผิดต่อการมาสุขของเขาจะเป็นปัญหาที่กัดกร่อนบ่อนทำลายอริยธรรมของเขาเองตั้งแต่ทำให้ระบบครอบครัวงอนั่นคลอนแคลนมีอัตราประชากรที่ไม่ได้สัสดส่วนเสียดุล จนถึงมีคนมากมายที่ไม่ได้พัฒนาคุณภาพมนุษย์ที่ว่าเจริญมีอริยธรรมควรจัดการสรรวิธีปฏิบัติที่จะให้เรื่องการสืบพันนี้เกิดมีผลดีแก่ชีวิตและสังคมโดยพัฒนาจิตใจของคนให้มีความซื่อตรงจริงใจและความปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อชีวิตและต่อสังคมนั้นและให้คนรู้จักมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา ที่มองเห็นตระหนักแล้วรู้เท่าทันความมุ่งหมายแท้จริงของความต้องการในระบบของธรรมชาติเพื่อปฏิบัติแต่พอดีไม่ปล่อยให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปให้ระบบกิจกรรมสนองความต้องการด้านนี้ทั้งความต้องการแท้ของธรรมชาติและความต้องการเทียมของคนพอสมดุลกันเป็นไปด้วยความรู้จักประมาณมิฉนั้นอริยธรรม ที่เรียกเรียกกันนี้ก็จะเป็นได้แค่อริยธรรมจอมปลอมและน่าจะต้องล่มสลายเพราะกัดกินตัวมันเองที่จะไปถึงสันติสุขนั้นเป็นอันไม่ต้องพูดถึง